ต่อไปนี้จะได้พูดธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้ได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองสัจธรรมความจริงที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์การฟังธรรม นี่เป็นมงคลอย่างยิ่งนังที่ได้ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวัางเอตัมมังกัลมุตตะมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็คืออย่างน้อยสำหรับชาวพุทธเรา อย่างในสมัยโบราณก็ฟังกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะสมัยก่อนการฟังธรรมนี้จำเป็นจะต้องไปฟังที่วัดจึงต้องไปในวันหยุดวันหยุดสมัยก่อนวันหยุดทางานก็จัดให้ตรงกับวันพระเพื่อที่ผู้ที่ทำงานจะได้ หยุดงานหนึ่งวันแล้วจะได้มีเวลาไปวัดไปฟังธรรมและไปปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติเช่นไปทำทานไปรักษาศรรีลไปภาวนาไปฟังเทศน์ฟังธรรมภารกิจเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีเวลา ถ้าต้องไปทำงานทำการก็จะไม่สามารถที่จะทำภารกิจที่สำคัญเหล่านี้ได้โดยเฉพาะการฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายที่ยังไม่รู้สัจธรรมความจริงของชีวิต ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความสุขอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความทุกข์และไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่จะดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปได้จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรม การฟังเทศฟังธรรมจะเป็นมงคลก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนิ่งกายก็ควรจะนั่งเฉยเฉยไม่ควรกระทำอะไรทั้งนั้นวาจาก็ควรที่จะสงบไม่พูดไม่คุยกันใจก็ควรที่จะ น่งไม่ควรที่จะคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ควรที่จะตั้งสติจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วก็เข้ามาสู่ใจถ้าไม่มีสติใจไม่จดจอกับการฟังเสียงธรรมจะเข้ามาที่หูแต่จะไม่เข้ามาที่ใจ จะออกเข้าหูซ้ายแล้วก็จะออกไปทางหูขวาสิ่งที่ได้ยินก็จะไม่ได้เกิดความเข้าใจการฟังธรรมถ้าอยากจะฟังได้รถได้ชาติได้เหตุได้ผลจึงจำเป็นต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบ ญาติโยมบางท่านยังไม่เข้าใจเคยมีคนมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าชอบฟังธทมควบคู่กับการทำงานไปคือแทนที่จะฟังเพลงก็เปิดธรรมะฟังไปก็ได้ประโยชน์แต่ถามว่าได้ประโยชน์เท่าไหร่ก็คงจะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อย เพราะเวลาที่เราทำงานแล้วเวลาเราฟังธรรมควบคู่ไปด้วยใจของเรานี้จะต้องทำสองอย่างแบ่งไปให้กับการทำงานแล้วก็แบ่งมาให้กับการฟังธรรมการฟังธรรมก็เลยอาจจะไม่ติดต่อต่อเนื่องเพราะบางทีเวลาทำงานเราก็ต้องคิดเกี่ยวกับงานที่เรากำลังทำอยู่ พอเราคิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเราก็จะขาดตอนไปทำที่เข้ามาก็จะขาดตอนไปเรื่องของเหตุของผลนี่ก็ขาดตอนไปถ้าเหตุกับผลขาดตอนไปฟังไปก็จะไม่ได้ความจริงจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะได้ ดังนั้นเวลาที่เราฟังธรรมเราควรที่จะอยู่เฉยๆหรือถ้าเราเดินจมกรมนี้ก็ยังถือว่าอยู่เฉยๆอยู่ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีการเคลื่อนไหวแต่ใจเรายัางสามารถที่จดจ่ออยู่กับการฟังธรรมได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติจดจ่อฟังธรรม อย่างต่อเนื่องเราก็จะได้รับอนิสงส์จากการฟังธรรมที่มีอยู่5ประการด้วยกันคือประการที่หนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังซ้ำและซ้ำอีก เราก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 3. จะกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทำให้จิตใจมีความสงบผ่องใสนี่คืออนิสง์ผลที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมโดยเฉพาะ สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนี้เป็นผลที่สาคัญอย่างมากเพราะถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองเมื่อมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องความคิดก็จะไม่ถูกต้องการพูดก็จะไม่ถูกต้องการกระทาก็จะไม่ถูกต้อง คือแทนที่จะคิดแทนที่จะพูดแทนที่จะกระทำเพื่อดับความทุกข์ต่างๆเรากลับจะคิดจะพูดจะทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้นะดังนั้นการฟังเทศจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างมาก ก็จะทำให้เราได้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็เปรียบเหมือนกับตาของเรานี้เองถ้าตาเราปิดก็เหมือนกับเรามีมิจฉาทิฏฐิถ้าตาของเราเปิดก็เหมือนกับเรามีสัมมาทิฏฐิคนตาบอดกับคนตาดีนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก คนตาดีนี้สามารถเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนส่วนคนตาบอดนี้ไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยพวกเราก็เหมือนกับคนตาบอดในขณะนี้ส่วนพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านก็เป็นเหมือนคนตาดีเราต้องการที่จะเดินทางไปสู่ ที่ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายแต่ถ้าเราตาบอดเราจะเดินไปเองได้อย่างไรเราจะไม่รู้ทางที่เราต้องการจะไปว่าอยู่ทางไหนไปทางข้างหน้าหรือไปทางข้างหลังไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเดินไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปพบกับอะไร แต่ถ้าเรามีคนที่ตาดีพาเราไปคือคนที่มีสัมมาทิฏฐิพาเราไปเราก็จะเดินไปในทางที่เราต้องการจะไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปถึงได้เพราะเรามีคนตาดีคนที่เขาเคยไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นแล้วพาเราไป การฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับให้พระพุทธเจ้าให้พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านพาเราไปนั่นเองฟังธรรมถ้าเราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐเองหรือจากพระอาหารหันตสาวกเราก็จะได้ธรรมที่ถูกต้องได้ความรู้ความจริงที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราฟังจากผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเราก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องเพราะผู้ที่ยังไม่บรรลุก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั่นเองยังไม่รู้จากทางอย่างแท้จริงเป็นเพียงแต่ได้ศึกษาแผนที่ของทางที่จะไป สู่จุดหมายปลายทางนั้นแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าแผนที่ที่ได้ดูนั้นจะสามารถพาให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไปได้ดังนั้นเวลาที่เราฟังธรรมจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงกับผู้ที่ยังไม่รู้จริงเห็นจริงนี้จึงมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะข้อที่เรียกว่ากำจัดความสงสัยต่างๆถ้าเราฟังจากผู้ที่ยังไม่รู้จริงเห็นจริงยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุเวลาเรามีข้อสงสัยอันใดเราไปถามท่านท่านมักจะไม่สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้ที่จะกำจัดความสงสัยที่เรามีได้ แต่ถ้าเราฟังจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเวลาที่เรามีความสงสัยเราถามไปท่านจะสามารถตอบให้เราได้อย่างชัดเจนจนความสงสัยที่เรามีอยู่ในใจนั้นหายไปได้แล้วก็จะบอกทางเดินที่ถูกให้กับเราถ้าท่านเห็นว่าเราเดินไปในทางที่ไม่ถูก ท่านก็จะบอกว่าทางนั้นไม่ใช่เป็นทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางต้องมาทางนี้นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมการสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกนี้เองเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันเพราะจิตใจของปุถุชน ของพวกอย่างพวกเราที่อยู่ในโลกร่วมกันนี้เป็นจิตใจที่มืดบอดเป็นจิตใจที่ถูกความหลงโมหะอวิชชาความไม่รู้ดิงสอนให้เราเดินกันแทนที่จะสอนให้เราเดินออกจากกองทุกข์กันกลับสอนให้พวกเราเดินเข้าหากองทุกข์กันกองทุกข์นี้คืออะไร ก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แหละเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นนับตั้งแต่ของภายนอกของร่างกายเราขึ้นขึ้นไปเช่นของภายนอกร่างกายเราก็คืออะไรไก็ลาบยศสา ร, รเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นกองทุกข์ในสายตาของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ ในสายตาของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือผู้ที่ตาไม่บอดอย่างพพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ลาบเออ ย, ยด์เอ่ยสัตเสริญเออยรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะเอ่ยนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้มาแล้วก็หายไปหายไปแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมาจึงต้องหาอยู่เรื่อยเพื่อจะได้กำจัดความทุกข์ที่ตามมาจากความสุขที่ทได้หามาหามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะจางหายไปแล้วก็จะเกิดความทุกข์เข้ามาแทนที่เสมอ จึงเรียกว่าเรียกว่าไม่ใช่เป็นการเดินออกจากกองทุกข์แต่เป็นการเดินเข้าหากองทุกข์ถ้าพวกเรายังมีใจที่ฝ่ายฝันยังมีใจที่ปรารถนาอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สัมพัสญอยากได้ความสุขจากการได้เสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะ mm hmm. ก็แสดงว่าพวกเรายังอยากเดินเข้าหากองฝ่ายกัน นี่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็คือพวกเราที่ยังเห็นโกงจากเป็นดอกบัวอยู่เห็นกองทุกว่าเป็นกองสุขอยู่เราจึงต้องร้องห่มร้องไห้กันทุกกันด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้ที่จะบอกว่าไม่มีความทุกข์เลย ไม่มีความทุกข์กับลาบยศสรรเสริญไม่มีความทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะเลยทั้งๆ ท, ที่มีความทุกข์แต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีจะออกจากความทุกข์เหล่านี้ออกอย่างไรและก็ไม่อยากจะออกเสียด้วยซ้ำไปเพราะเวลาออกนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเวลาที่เราต้องยุติหา ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผด พ, พะเภาเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นถ้าเราสละเงินทองที่เรามีอยู่ไปให้หมดไม่อาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราเคยอาศัยเงินทองซื้อความสุขให้กับเรา พอเราไม่มีเงินทองเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นคนที่ล้มละลายคนที่จะต้องสูญเสียสมบัติต่างๆที่มีไปอยู่แบบขอทานก็จะรู้สึกทุกข์มากหรือคนที่เคยมีตำแหน่งใหญ่โตมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็จะต้องสูญเสีย สิ่งเหล่านี้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่มีคนคอยสรรเสริญเยือนยออยู่อย่างต่อเนื่องพอสูญเสียการสรรเสริญเยิอนยอไปมีแต่การข้ารหานินทาว่ากล่าวต่างๆนานาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคนที่เคย มีรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆไว้ให้เสพให้สัมผัสเวลาไม่มีก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นทุกข์ทั้งสองทางทุกข์ทั้งขณะที่มีและทุกทุกขณะที่จะต้องถอยออกจากกองทุกข์นี้แต่ทุกข์ที่เกิดจากการถอยออกจากกองทุกข์นี้ เป็นทุกที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนำไปสู่ความถุกที่ถาวรที่ไม่มีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าอยู่กับความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นการอยู่กับความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นเพียงชั่วคราวได้ปั๊บเดี๋ยวก็หมดไป หมดไปก็ทุกข์ก็ต้องหาใหม่หาใหม่เดี๋ยวก็หมดไปก็ทุกข์ใหม่อีกก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายและไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะพบนี้ชาตินี้เท่านั้นในอดีตชาติก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนับไม่ถ้วนจำนวนพบชาติที่เราทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นั้นมีจำนวนมากมายจนที่เรานับ จำนวนไม่ได้ว่าเท่าไหร่พระจะประมาณพระพุทธเจ้าก็ส่งให้ให้คิดแบบนี้ว่าถ้าเราทุกครั้งที่เราหลั่งน้ําตาเนื่องจากเรามีความทุกข์กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราเอาน้ําตาที่เราหลั่งนี้มาสะสมมาไว้มารวบรวมไว้น้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ชาติที่เราได้ หลังนี้มันจะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องมีพบชาติจานวนเท่าไรกันถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือความยาวนานของพบชาติของพวกเราแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่ถอยออกจากกองทุกข ถ้าเราไม่ยอมทุกข์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปถ้าเรายังกลัวความทุกข์จากการที่จะต้องสละลาบยศสละเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็ยังจะต้องทุกข์แบบที่เราเป็นอยู่กันในขณะนี้ต่อไปและก็จะเป็นไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น เพราะความอยากของเราหรือความผูกพันความที่เราต้องพึ่งความสุขต่างๆความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันไม่หมดไปถ้าเราต้องพึ่งเขาเราก็ต้องพึ่งเขาไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะพึ่งเขาไปเรื่อยๆเราก็ต้องหยุดพึ่งเท่านั้น เราต้องถอยออกมาหยุดการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆหยุดการใช้ยศซื้อความสุขหยุดการใช้สรรเสริญซื้อความสุขหยุดการใช้รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพซื้อความสุขให้ทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็เคยติดอยู่กับกองทุก ของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผดทธพะทรงเป็นพระราชโอรสทรงได้สัมผัสกับความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสผดทะพะและได้สัมผัสความทุกข์ที่ได้จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิน่นรสผดทธพะเช่นเดียวกับพวกเรา แต่พระองค์นี้ต่างจากพวกเราตรงที่พระองค์ทรงเห็นโทษเห็นความทุกข์ของสิ่งเหล่านี้มากกว่าที่จะเห็นความสุขพวกเรานี้จะเห็นแต่ความสุขจะไม่เห็นความทุกข์เวลาทุกข์ก็ลืมไปได้อย่างรวดเร็วพอหายทุกข์แล้วก็ลืมไปไม่เคยเค็ดลากไม่เคยกลัวสิ่งเหล่านี้ เลาทุกข์กับลาบยศสรรเสริญพอความทุกข์นั้นหายไปก็กลับไปหาลาบยศสรรเสริญใหม่แต่พระพุทธเจ้านี้สั้นทรงเป็นผู้ที่มีความจําดีไม่ลืมง่ายเวลาที่พระองค์ทรงทุกข์กับเรื่องของการความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโพธิ์พระทรงจําไว้ในพระทัยของพระองค์ จนทำให้พระองค์นี้ไม่อยากที่จะเกี่ยวข้องกับราบยศสารเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโพธภะทรงอยากที่จะไปหาไปอยู่ให้ห่างไกลจากกองทุกข์อันนี้เพื่อที่จะได้ไปหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ก็เหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในกองไฟเวลาอยู่ในกองไฟนี้มันร้อนมันทรมานพอเราออกจากกองไฟมาความร้อนความทรมานก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อให้เราออกจากกองทุกข์กันเท่านั้นถ้าเราออกจากกองทุกข์ได้แล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขเหมือนกับเราออกจากกองไฟแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุข พอความสุขมันอยู่ที่ข้างนอกกองไฟอยู่แล้วพอออกจากกองไฟได้เราก็สบายเหมือนเวลาไฟไหม้เราจะไฟไหม้บ้านนี้เราจะนั่งอยู่ในบ้านเราหรือว่าเราจะรีบวิ่งออกจากบ้านเราพอเราวิ่งออกจากบ้านได้ครับความทุกข์ที่เกิดจากไฟไหม้ก็หายไปความสุขก็ปรากฏขึ้นมาทันใด ความสุขที่แท้จริงก็อยู่ที่การที่เราได้ออกจากกองทุกนี้เองไม่มีอะไรที่พิสดารเลยขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเถิดแล้วเราจะได้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะเราได้ออกจากกองทุกขและไม่กลับไปที่กองทุกนั่ น, อ น, นเอง การที่เราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาก็เพื่อที่จะดึงใจเราให้ออกจากกองทุกนี้เท่านั้นและป้องกันไม่ให้ใจของเราวิ่งกลับไปหากองทุกนี้เวลาเราทำทานก็เท่ากับเราสละสิทธิการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วเวลาที่เราไปภาวนาไปปรีกวิเวก ไปรักษาศีลไปทำใจให้สงบก็เพื่อที่จะหยุดใจไม่ให้กลับไปหากองทุกนั่นเองถ้าใจเราไม่สงบเดี๋ยวก็จะคิดถึงลาบยศสรรเสริญจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภพะพอคิดแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะกลับไปหาความสุขเหล่านั้นอีกและจะลืมความทุกข์ไปอย่าง สนิทเลยลืมไปเลยว่าที่ออกมานี้ก็เพราะว่ามันทุกข์แต่พอออกมาแล้วมันก็ถูกความหลงหลอกให้เกิดความอยากขึ้นมาให้เห็นส่วนที่เป็นสุขเท่านั้นส่วนที่เป็นทุกข์นี้ไม่ให้มองเห็นเลยเนี่ยการออกมานี้ก็เพื่อที่จะมาต่อสู้กับการที่จะถูกหลอกให้กลับไปหากองทุกข์อีกนั่นเอง การภาวนานี้ก็มีเป้าหมายอยู่ตรงนี้ต้องการที่จะให้สอนใจให้เตือนใจให้จา ใ, ให้จาให้ได้อย่างติดใจติดตาติดใจว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นลดผลทพานี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราจําได้แล้วเราก็จะไม่อยากจะกลับไปแต่ถ้าเรายังจําไม่ได้ ซึ่งถ้าเราไม่ภาวนาไม่เจริญปัญญาไม่พิจารณาความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่เราได้สละที่เราได้จากมาเดี๋ยวมันก็จะหลอกให้เรามีความอยากที่จะกลับไปหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นอีกนั้นการภาวนาจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยสอนใจคอยเตือนใจให้มองให้เห็นถึงความทุกข์ ที่เราได้สละมาถ้าเราได้ออกจากชีวิตแบบนั้นแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงสละชีวิตแบบนั้นพอออกมาแล้วพระองค์ก็ภาวนาเจริญสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในเรื่องที่ทรงได้สละมาพยายามทำใจให้นิ่งหยุดความอยากกลับไปให้ได้ เวลาที่ใจนิ่งใจหยุดความอยากที่จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดเถพะกลับไปหาลาบยศลรเสริญใจก็สงบเย็นสบายใจไม่ร้อนความร้อนเกิดจากความอยากที่จะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดเถระหาลาบยศละเสริญนี่เองแต่ก็เป็น ความสงบชั่วคราวเพราะอยู่ในสมาธิได้ไม่นานก็จะต้องถอนออกมาพอถอนออกมาถ้าไม่ควบคุมความคิดเอาไว้ปล่อยให้ความคิดคิดเดี๋ยวก็จะคิดกลับไปหาสิ่งต่างๆอีกใจก็จะร้อนขึ้นมาอีกใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความกังวลกระวายกระสับกระส่ายเกิดความรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาว้าเหวขึ้นมาอีก ก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมความคิดหรือถ้าอยากจะทำลายความอยากที่ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือก็ต้องสอนใจเตือนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ทิ้งมานั้นที่เราได้จากมานั้นมันเป็นเหมือนกองไฟเป็นเหมือนบ้านที่ไฟไหม้อยู่เราจะกลับเข้าไปในบ้านที่ไฟกำลังลุกไหม้ทำไมะ กลับเข้าไปก็เท่ากับไปเผาตัวเราเองเท่านั้นเองฉันใดถ้าเรายังมีความปรารถนาที่อยากจะกลับไปหาลาบยศสรรเสริญกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะอยู่ก็เป็นเหมือนกับการที่เราอยากจะกลับเข้าไปในบ้านที่ไฟกาลังไหม้อยู่นั่นเองนี่เกิดเรื่องของการภาวนา เพื่อที่จะดึงใจเอาไว้ไม่ให้กลับไปหาความทุกข์ต่างๆที่เราได้ทิ้งมาแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังเป็นนักปฏิบัติที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เราต้องไม่กลับไปเลยนอกจากมีความจำเป็นจริงๆเท่านั้นเช่นบางครั้งบางคราวอาจจะมี เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลที่เรายังมีความสัมพันธ์อยู่เช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาตายไปเราเป็นลูกหรือเป็นหลานหรือเป็นอะไรที่ยังเป็นมีพันธกรณนีเขามีพ่ะคุณกับเราเราอาจจะต้องไปเยี่ยมเขาหรือไปงานศพเขาอย่างนี้ถ้าไปก็ต้องระมัดระวังว่าให้ไปเฉพาะกิจนี้เท่านั้น อย่าไปทะเละทะลายเดี๋ยวไปเจอคนนั้นเจอคนนี้เดี๋ยวเขาชวนให้ไปทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ถ้าทําเดี๋ยวก็ถูกจุดลากให้ติดอยู่กับกองไฟต่อไปนี่คือวิธีการที่เราจะได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรม เพวิธีการเหล่านี้จะไม่มีใครในโลกนี้เขาพูดถึงกันคนในโลกนี้คนในสังคมที่เราอยู่ด้วยนี้จะพูดแต่การหาลาบให้มากขึ้นหายศให้สูงขึ้นให้ใหญ่ขึ้นหาคำสรรเสริญเยินยอให้มากขึ้นหารูปเสียงกลิ่นรสผทพะให้มากขึ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังหากองทุกข์ให้ใหญ่ขึ้นให้โตขึ้นจน จึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ได้เห็นโทษเห็นความทุกข์ของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าจะผ่านจากหนังสือพระไตรปิฎกที่จดจา้าลกคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้หรือจะฟังคำสอนจากพระอรหันตสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ท่านก็จะสอนแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือสอนให้เราอย่า ก, กลับไปหาความทุกข์ต่างๆขอราะสอนให้พวกเราอยู่แบบดำพังไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีราบไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพะแต่การที่เราจะอยู่อย่างอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีเครื่องมือคอยดึงใจเอาไว้ไม่ให้กลับไปหาราบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผดเถพะเครื่องมือชิ้นแรกก็เรียกว่าสตินี่เองเราต้องคอยควบคุมความคิด อย่าปล่อยให้คิดเพราะถ้าคิดแล้วจะคิดถึงเรื่องราบยศสรเสรคิดถึงรูปเสียงกินรดโผภะาาแล้วก็จะเกิดตันหาความอยากตามมาถ้าเราควบคุมความคิดได้ด้วยสติได้ใจก็จะว่างใจจะไม่มีความอยากที่จะกลับไปเวลานั่งเฉยๆหลับตาหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบ พอใจสงบเต็มที่ก็จะเกิดความสุขที่มหัศจรรย์ความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่เกิดจากการหยุดของความคิดตรุงแต่งการหยุดของความอยากต่างๆพอเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะมี มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีหลักมีเกณฑ์เรารู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ลาบยึดสรรเสริญไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะพยายามสอนใจดึงใจเอาไว้เวลาออกจากความสงบนี้สอนใจเตือนใจอย่าให้ลืมอย่าให้หลง เวลาเกิดความคิดที่อยากจะกลับไปหาความสุขต่างๆจากลูกเสียงกลิ่นรสผลพภะจากลาบยศสรรเสริญถ้าเรามีความคิดคอยเตือนใจเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆไว้ต่อต้านไว้หยุดความอยากต่างๆต่อไปความอยากก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วก็จะหมดไปได้ในที่สุด อันนี้ก็เป็นกองไฟกองแรกที่เราต้องสละแต่เรายังมีกองไฟอีกสองกองที่เรายังต้องสละต่อไปกองที่สองก็เรียกว่าขันห้านี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอันนี้ก็เป็นกองไฟอีกกองหนึ่งที่เรายังติดอยู่เรายังติดอยู่กับรูปติดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ ติดกับรูปก็คือร่างกายนี้ที่จะต้องสลายไปที่จะต้องตายไปแต่เราไม่ยอมให้เขาสลายไม่ยอมให้เขาตายไปติดกับเวทนาติดกับความสุขเวทนาติดกับความอยากให้มีแต่ความสุขเขาเวทนาเวลามีทุกขเวทนาขึ้นมาก็รับไม่ได้ทนไม่ได้ ก็ต้องทุกข์เพราะใจของเราสัญญาของเราความจําของเราไม่มีความจําว่าร่างกายเป็นของเราเวทนาเป็นของเราเราสามารถรับความสุขจากร่างกายจากเวทนาเพียงอย่างเดียวได้เราไม่ต้องรับกับความทายของร่างกายไม่ต้องรับกับความทุกข์ของเวทนา อันนี้เป็นความจำที่ผิดที่เกิดจากความหลงนั่นเองเวลาเรามีร่างกายนี้เราคิดอย่างเดียวว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราจะรับใช้เราจะพาให้เราไปหาสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราได้เวทนาก็คือความรู้สึกก็เราจะมีแต่ความรู้สึกที่สุขอย่างเดียวเราจะไม่ต้องมีความรู้สึกที่ทุกข์ ทุกวันนี้ในโลกนี้เขาพยายามผลิตผลิตผลิตผลิตผต่างๆก็เพื่อมาดับความทุกตลกผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผริตอลิตผลิตผาิเผลิตผลิตผลิตผลิยผล้ตผตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผ่ิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผงชตผลครผลิตัลิตผลิตผลิตผลิตผลิตผล แล้วก็ไม่สามารถดับได้อย่างถาวรเพราะเราหลงคิดว่าเราสามารถดับมันได้เพราะเราไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่ารูปเวทนานี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครที่จะไปควบคุมบังคับ ให้รูปนี้อยู่ไปอย่างทาวรไม่ให้ตายได้ไม่มีใครไปบังคับให้เวทนานี้มีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวได้สุขเวทนาก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เปลี่ยนไปเป็นไม่สุขไม่ทุกขเวทนาหมุนไปเวียนมาสลับไปตามเหตุตามปัจจัยที่มาทำให้เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมา เช่นเวลาที่เราหิวน้ำหิวอาหารขาดน้ำขาดอาหารร่างกายก็จะผลิตทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาที่เราได้ดื่มน้ำได้รับทานอาหารทุกขเวทนานั้นก็หายไปชั่วคราวมีความไม่สุขไม่ทุกขเวทนากลับคืนมาหรือความสุ ข, ขเวทนากลับคืนมา แต่ไม่นานเพราะว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวร่างกายก็ต้องหิวน้ําอีกหิวอาหารอีกก็จะเกิดเวทนาทุกขเวทนาขึ้นมาอีกมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีร่างกายนี้อยู่ทุกขเวทนานี้ก็จะต้องกลับมาเยือนอยู่เสมอไม่ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์อะไรมีสินค้าอะไรมีอาหารชนิดไหนมีอยู่มียาชนิดใดก็ตาม มันก็ไม่สามารถที่จะกำจัดทุกขเวทนาให้หมดไปได้อย่างถาวรก็กำจัดได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวยาปวดยาแก้ปวดนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาปวดก็รับประทานยาแก้ปวดพอฤทธิ์ยาหมดปับอาการหายจากการปวดก็จะกลับคืนมาใหม่อาการปวดก็จะกลับคืนมาใหม่ก็เลยต้องติดยาแก้ปวดกัน เวลาปวดกันทีก็ต้องหายาแก้ปวดมากินกินมากๆ ก, ก็ไปทำลายอาวัยวะต่างๆของร่างกายเป็นการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกทางต้องแก้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแก้ด้วยวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแก่ก็คือใช้การภาวนาการภาวนาเรียกว่าเป็นธรรมโอสถ เป็นการที่เราจะรักษาโรคของความทุกข์ใจนี้ได้เพราะความทุกข์จริงๆนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนาแต่ความทุกข์ที่ที่ใหญ่กว่าความทุกข์ของร่างกายความทุกข์ของเวทนาก็คือความทุกข์ใจนี้เองความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากจะ กำจัดทุกขเวทนาให้หมดไปให้ได้หรือความอยากที่จะดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตายความอยากอันนี้สังหารที่สร้างความทุกข์อันยิ่งใหญ่ให้กับใจความตายของร่างกายความเจ็บของทุกขเวทนานี้มันไม่เป็นตัวที่ไปเขย่าใจเราได้ ตัวที่ขย่าใจเราได้ก็คือความอยากของใจอยากจะให้ร่างกายไม่ตายอยากให้ร่างกายไม่เจ็บอันนี้ต่างหากที่เป็นตัวปัญหาพระพุทธเจ้าใช้ธรรมะมาแก้ทรงดูความจริงพิจารณาความจริงทรงเห็นว่าถ้ายอมรับความแก่ความเจ็บความตายใจก็จะไม่เกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พอไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความทุกข์ทรมานใจที่ทนไม่ได้นี้ก็จะไม่มีพอไม่มีความทุกข์ทรมานใจอันนี้ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เป็นสิ่งที่ใจรับได้อย่างสบายนี่คือวิธีแก้ปัญหาไม่ได้แก้ด้วยการไปผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาอย่างที่โล ก, กทำกันอยู่ ผลิตสินค้าทุกอย่างนี้มาก็เพื่อที่จะมารักษาสุขเวทนามากำจัดทุกขเวทนาแต่ผลิตมามากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะไปกำจัดมันได้อย่างถาวรดังนั้นวิธีแก้แบบนั้นจึงเป็นวิธีที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเพราะเวลาที่แก้ไม่ได้หรือสิ่งที่เราอาศัยแก้มันเกิด เสียไปเช่นเราเคยใช้เครื่องปรับอากาศพอเกิดไฟฟ้าดับไปหรือเครื่องปรับอากาศเสียหรือเราไม่มีทางงาการเงินดีพอที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าหรือเวลาเครื่องเสียแล้วไม่มีเงินไปซ่อมอย่างนี้เราก็จะเดือดร้อนขึ้นมาเราจะทุกข์ทรมารยิ่งกว่าตอนที่เราไม่มีเครื่องปรับอากาศ ตอนที่เราไม่มีเครื่องปรับอากาศเราอยู่ได้เพราะเราทำใจยอมรับกับสภาพร้อนก็ถนเอาร้อนมากๆก็อาบน้ำเอาเอาผ้าเช็ดน้ามาถูเอาพอถูถ่ายพออยู่กันไปได้แต่พอเราไปพึ่งเครื่องปรับอากาศขึ้นมาพอเวลาไม่มีเครื่องปรับอากาศให้เราพึ่งแล้วทีนี้ใจก็วุ่นใจก็ทุกข์ขึ้นมานี่คือวิธีการแก้ ต้องแกนด้วยภาวนาต้องมันทำใจให้สงบมันจเจริญสติเวลาใจสงบแล้วใจจะไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของร่างกายเรื่องของขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสงบตัวไม่ทำงานชั่วคราวพอเวทนาสัญญาสังขารไม่ทำงานมันก็เลยไม่ไปรบกวนใจพอออกจาก ความสงบมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเริ่มทำงานก็ต้องใช้ปัญญามาคอยควบคุมสัญญาสังขารไม่ให้จำไปในทางที่ผิดไม่ให้คิดไปในทางที่ผิดก็คือไม่ให้ไปจำวิธีแก้แบบเก่าแก้ด้วยของภายนอกให้แก้ด้วยสติให้แก้ด้วยปัญญาให้แก้ด้วยสมาธิคือให้ทำใจ ยอมรับกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ให้ทำใจเฉยๆรับรู้ไปเฉยๆอย่าไปอยากให้เขาเปลี่ยนไปอย่าไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆเช่นเวลาเกิดสุขเวทนาก็อย่าไปอยากให้สุขเวทนานี้อยู่ไปนานๆ เวลาเกิดทุกขเวทนาก็อย่าไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะสร้างความทุกขใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เป็นความทุกข์ที่เราจะทนไม่ได้รับไม่ได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านไม่มีทุกร ะ, ะทุกชั้นนี้ทุกในจิตนี้ท่านไม่มีทุกในอริยสัตว์นี้ท่านไม่มีเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นไตรลักษณ์เห็นอนัตตา เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่สามารถสั่งให้สุขเวทนาอยู่ไปนานๆได้ไม่สามารถสั่งให้ทุกเวทนาหายไปทันทีได้แต่สิ่งที่ทรงสั่งได้ก็คือสั่งให้ใจอยู่เฉยๆอย่าไปอยากพอใจเฉยใจไม่อยากแล้วใจจะไม่ทุกข์ แล้วใจจะอยู่กับเวทนาต่างๆได้ไม่ว่าจะสุขเคเวทนาหรือทุกข์เวทนาหรือไม่สุ ข, ไ ม, สขไม่ทุกขไม่ทุกขเเวทนาใจจะรับได้หมดสามัญเท่ากันน้ำหนักเท่ากันหมดหรือว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายถ้าใจนิ่งเฉยๆไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรับได้เพราะไม่มีความทุกข์ อีกชั้นหนึ่งที่เกิดจากความอยากนี้เองนี่แหละคือวิธีกาจัดแก้ปัญหาที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ขันไม่ได้อยู่ที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญหาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความทุกข์ในใจที่เกิดจากตัณหาความอยากที่เกิดจากความหนงไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหานี้ แทนที่จะไปแก้ที่ใจกลับไปแก้ที่ร่างกายไปแก้ที่เวทนาแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีไม่มีวันที่จะจบเพราะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่ไปหลงไปติดกับร่างกายไปพิ่มร่างกายให้ความสุขพอร่างกายไม่ได้ให้ความสุขกลับให้ความทุกข์ก็เดือดร้อนขึ้นมา นี่ก็เกิดกองทุกข์อีกกองหนึ่งเขาเรียกกองทุกข์ในขันนอกจากกองทุกข์ในขันแล้วก็ยังมีกองทุกข์ในจิตอีกกองหนึ่งด้วยกองทุกข์ในขันนอกจากร่างกายของเราแล้วก็ยังไปทุกข์กับร่างกายของคนอื่นทุกเพราะอะไรเพราชอบเขาเห็นเขาสวยเห็นเขางามเห็นเขาน่ารักหน้าชื่นชมหน้ายินดีก็เลยไปยึดไปติดกับเขา ไปจับจองเขาเป็นเจ้าของพอเวลาเขาไม่ได้เป็นของเราขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาเวลาได้ได้แฟนก็มีความสุขเวลาแฟนเขาจากไปเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ยอมเป็นแฟนเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องแก้ด้วยการดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามของเขาอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามดูส่วนที่ไม่สวยงาม ที่ถูกปกปิดด้วยหนังเราต้องมองเข้าไปใต้ผิวหนังเราต้องนึกถึงภาพของสิ่งที่ไม่สวยไม่งามที่มีอยู่ในร่างกายของเขาถ้าเราเห็นเราก็จะทำลายความหลงได้ความหลงที่เห็นว่าเขาสวยเขางามน่ารักน่าดูน่าชมแต่พอมองอีกส่วนหนึ่งก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้สวยอย่างเดียว ส่วนที่ไม่สวยก็มีส่วนที่น่ากเกลียดก็มีนี่เราต้องแก้ตรงนี้ถึงจะออกจากกองทุกข์ของขันไดนอกจากกองทุกข์ของขันแล้วก็ยังมีกองทุกข์ของจิตที่ยังมีความหลงอยู่ในนั้นยังมีอัตตาตัวตนอยู่ในอยู่ในจิตนั้นที่คอยผลิตความทุกข์ให้กับใจอยู่อย่างต่อเนื่อง ก็ต้องเข้าไปละตัวตนในนั้นให้ได้นี่แหละคือเรื่องของกองทุกข์ต่างๆเริ่มตั้งแต่กองทุกข์ภายนอกคือราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผทพะบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่เราอาศัยให้ความสุขกับเราเนี้ยเขาไม่ได้ให้ความสุขเราอย่างเดียวเขาให้ความทุกข์กับเราด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุข เวลาที่เราจะต้องสูญเสียเขาไปแล้วก็มาที่กองที่สองก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้เราในที่สุดก็ต้องก็ต้องหมดมันไปความสุขที่เราได้จากร่างกายก็จะหมดไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้อื่นเวลาไม่มีเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ เข้ามาที่กองที่สามก็คือในจิตเองในตัวรู้เองในตัวรู้นี้ยังมีอัตตาตัวตนยังมีการถือตนถือตัวอยู่ยังมีความหลงอยู่ยังอาศัยความสุขที่ได้จากความสงบของจิตอยู่อันนี้ก็ต้องปล่อยเพราะความสงบของจิตมันก็ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันอัตตาตัวตนก็เป็นตัวที่ทําให้ใจทุกข์ขึ้นมา นี่แหะคือกองทุกข์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้จรจาท่านได้ถอยออกมาแล้วด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาที่ท่านได้นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ถ้าพวกเราน้อมนําเอามาปฏิบัติเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวก็คือเราจะได้ออกจากกอง ทุกของทั้งสามกล่องนี้ทุกล่กองทุกขของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์กองทุกขของขันห้าและกองทุกขของจิตนี่คือการสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาเราฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมรับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าจะไม่มีวันที่จะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เราฟังแต่เรื่อง สมบัติเป็นของเรายศเป็นของเราสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราลูกเป็นของเราสามีเป็นของเราภรรยาเป็นของเราบริษัทเป็นของเรากิจกรรมอะไรต่างๆเป็นของเราไปหมดให้ความสุขกับเราหลายเวลาทุกข์กับมันกับมองไม่เห็นมีเขาเพราะความหลงมันมันปิดตาเราอยู่ไม่ยอมให้เรามองเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ มันจะให้เราเห็นแต่ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้พอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรแก้ก็แก้ผิดแทนที่จะดับความทุกข์กลับไปเพิ่มความทุกข์เพิ่มขึ้นมาใหม่อีนนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังอ น, นิสงส์ที่เกิดจากการฟังธรรมแล้วก็ฟังต้องฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆ พอฟังครั้งหนึ่งนี้อาจจะเข้าใจบางส่วนบ า, บางส่วนอาจจะไม่เข้าใจแล้วเจ็ดวันต่อมาก็อาจจะลืมไปหมดออต้องกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เราโชคดีเราสามารถฟังธรรมได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดกันแล้วเพราะมีการแสดงธรรมไว้ในสื่อต่างๆหนังสือก็มีแผ่นซีดีต่างๆก็มีวิดีโอก็มีแม้แต่ เคเบิลทีวีต่างๆก็มีรายการแสดงธรรมเทศนากันแทบทุกวันเลยบางสถานีก็ยีบสี่ชั่วโมงเลยแต่การฟังธรรมก็ต้องมีประมาณต้องการฟังธรรมอย่างเดียวถ้ามากเกินไปมันก็เหมือนกินยามากเกินไปต้องกินพอที่จะกระตุ้นกระตุกให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ให้เราหลงไหลคล้างคลติดอยู่กับกองทุกข์ ฟังเพื่อให้เราเกิดกำลังใจฟังเพื่อให้เรารู้จักวิธีที่เราจะฉุดลากใจของเราให้ออกจากกองทุกเหล่านี้ฟังแล้วจริงต้องเอาไปปฏิบัติฟังทุกวันฟังได้แต่ไม่ไม่ควรจะฟังมากจนไม่ได้ปฏิบัติเลยฟังวันละชั่วโมงนี้ก็น่าจะพอสมควรเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพราะถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็ไม่เกิดผลขึ้นม่ถ้าเราไม่ฟังเลยมันก็จะลืมแล้วเวลาปฏิบัติก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องดังนั้นการฟังก็สาคัญการปฏิบัติก็สาคัญเองแต่ว่าต้องรู้จักประมาณว่าควรจะฟังมากน้อยเพียงไรควรจะปฏิบัติมากน้อยเพียงไรผลจะเกิดได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติ การปฏิบัติจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต้องเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วไม่ได้ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้นอยู่ดีดัง น, นั้นก็ต้องฟังเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วก็ควรที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับผลนั่นเองนี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรม จะกำจัดความสงสัยให้หมดไปได้จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้ใจเราสงบมีความสุขจึงขอให้ท่านจงเห็นความสาคัญของการฟั ง, ฟงเทศฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นของที่เป็นของที่จะไปคู่กันไปด้วยกันเพื่อที่จะได้นำให้เราได้ออกจากกองทุกข์ แห่งการเวียน่หยตายเกิดเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและถาวรต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะ า, าวารวาหาปุราปะริปุเรนติสาขลรัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้าเมวะสนิจจตุสัพเพโปรเณตุสังกปาจันโทปนานะโสยทามนิโชติระโสยทัสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภะอะิวาธนสีลิกษะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวัทานติอายุวันโอสุขงังภาลางต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมกัน ถ้าท่านผู้ใดมีปัญหามีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อที่ผู้อื่นจะได้ฟังทั้งคำถามทั้งคาตอบไปด้วยกันอย่ามาถามตอนที่ปิดไม้แล้วเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์เกิดเฉพาะคนเราคนเดียวเราต้องทำต้องทาทานธรรมาทานด้วยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ไม่ต้องอายไม่ต้องอะไรทุกคนมีปัญหาเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันมีความสูญเสียเหมือนกันถ้าเราพูดถึงปัญหาของเราคนที่เ็ายังไม่มีปัญหาเขาจะได้รู้ว่าต่อไปเขาอาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้เขาจะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหางนั้นถ้าใครอยากจะถามก็เชิญขึ้นมาได้ถ้ายังไม่มีก็จะให ทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ตหาไปก่อนขอเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับการพิจรนะารณาอสุภามีรายละเอียดทํำยังไงบ้างครับผมก็เพื่อให้เราดับการมารมลได้นั่นเองการมารมลของเราเกิดจากการที่เราไปเห็นส่วนสวยงามของร่างกายโดยเฉพาะเวลาที่เขาเสริมสวยกันเวลาที่เขาออกไปข้างนอกบ้านนี้เขาจะ จัดการกับร่างกายให้ดูน่าดู น, าน่าชมเราก็ต้องมองพลิกกลับดูในส่วนที่ไม่น่าดูน่าชมส่วนที่ไม่ไม่น่าดูจริงๆก็ส่วนที่อยู่ภายในของร่างกายนี้ซึ่งเราอาจจะต้องใช้การศึกษาดูจากหนังสือหรือภาพถ่ายของนักศึกษาแพทย์ที่เขาศึกษาดูอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่นถ้าเราเขาเขาจะมีภาพถ่ายหรือภาพวาดที่ทําให้เราเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายเช่นเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างต่างเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราถ้าเราสามารถดูภาพเหล่านี้แล้วจาได้ต่อไปเวลาเรามองใครนี้ ผิวหนังของคนที่เรามองนี่จะเป็นเหมือนถุงพลาสติกใสๆเราจะสามารถมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเขาได้พอเรามองทะลุใต้ผิวหนังได้เราก็จะไม่มีกามอารมณ์เพราะมันภาพที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการอารมณ์นั่นเองแต่กลับจะทำให้ดับการอารมณ์แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็ให้นึกถึงเวลาที่เขาแก่ เวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไปเยี่ยมนคนไข้โร ง, งพยาบาลหน้าตาเป็นอย่างไรเวลาที่เขาตายเวลาเขาเป็นศพแล้วน่าดูไหมยิงถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ปลกเขาปิดเขาปล่อยให้ศพแสดงอาการขึ้นอืดพองขึ้นมาทามีอาการที่ไม่น่าดู ก็สบสมัยก่อนเขาก็ไปทิ้งในป่าชาแล้วก็ปล่อยให้มันเปื่อยไปมันเน่าไปพระสมัยพุทธกาลท่านก็มักจะไปเยี่ยมป่าชาเพื่อไปดูภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่างมีเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระรูปหนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการอารมณ์ทรงสั่งให้ไปดูศพของนางสโสเพณี ที่มีชื่อเสียงที่ร่ำลือว่าเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากพอดีเขาเธอตายไปก็ให้ไปดูศพของเธอพอท่านไปเห็นศพท่านก็เลยบรรลุขึ้นมาเห็นส่วนที่ไม่สวยงามเอาชนะกามารมได้กามารมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกเพราะท่านล้มเลิกถึงภาพนั้นอยู่ตลอดเวลา เวลาหันภาพของคนที่เขาเสริมสวยด้วยเสื้อผ้าอาอรด้วยเครื่องเสริมสวยต่างๆพอนึกถึงภาพของคนที่ตายไปการมารมก็จะดับไปดังนั้นจะถามว่าวิธีนี้ทำอย่างไรก็แต่ละคนก็ต้องใช้อุบายของตนเป้าหมายก็คือให้หยุดการมารม ทำให้เบื่อกับการที่อยากจะเสพการอยากการที่อยากจะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นพอจะเข้าใจไหมคำถามจากเฟ e บุ๊ k นะคะต่อจากเมื่อวานค่ะพระอาจารย์คำถามจากคุณบุตรบดาศักค่ะคำถามแรกคือฝากนักมัตการเรียนถามหลวงพ่อว่าพระอรหันต์เมื่อบรรลุทำแล้วสามารถทำประโยชน์ เพื่อโลกนี้ได้อย่างมากมายมหาศาลท่านดำรงร่างกายสังขารให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีกิเลสปรุงแต่งจิตให้มีสภาวะอารมณ์ใดๆได้อีกเพราะตัวโยมเองรู้ตัวเลยว่าเบื่อหน่ายโลกนี้แต่ต้องดำรงชีพต้องติดต่อผู้คนทั้งที่เป็นคนรักสันโดษอยากเดินออกจากโลกนี้เพราะมันไม่มีอะไร แต่รู้ตัวเองว่าบารมีไม่พอเมื่อก่อนมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้อยู่ในโลกนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแม่แล้วค่ะคาถามอยู่ตรงไหนคำถามอยู่ตรงบอกว่าคาถามถามว่าค่ะพระอาจารย์เรียนถามว่าพระอระหันต์นะคะเมื่อบารู้ทำแล้วสามารถทำประโยชน์เพื่อโลกนี้ได้อย่างมหาศาล ท่านดำรงร่างกายสังขารให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรคะทั้งที่ไม่มีกิเลสปรุงแต่งนะคะคิดด้วยาจานก็กินก็นอนเหมือนปกติเห <c oughs> มือนคนหนึ่งทำไมจะให้ทําอะไรร่างกายมันก็เป็นร่างกายอันเดิมที่เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนที่ร่างกายเปลี่ยนที่ใจใจที่เคยมีความโลภความโกรธความหลงก็ไม่มีแล้วแต่การไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่ได้หมายความว่าให้นั่งเฉยเฉยไม่ทําอะไรไม่กินไม่ดื่มท่านก็ยังกินยังดื่ม แต่ถ้าไม่ได้กินดื่มด้วยความโลภเหมือนพวกเราพวกเราอิ่มแล้วยังไม่พอยังกินอีกเนี่ยกินวันละสามสี่มื้อเนี่ยเรียกกินแบบความโลภถ้ากินแบบคนที่ไม่โลภก็กินวันละมื้อก็พอเอสาธุค่ะคำถามที่สองต่อมานะคะของคุณบุตรปดาษาก ค, คือโยมนั่งสมาธิเห็นกายและจิตนะคะเป็นคนละส่วนกันแต่ คงอาศัยกันเท่านั้นกายตายไปแต่จิตไม่มีวันตายไม่มีวันสูญนิพพานมีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะเพียงแต่เราถูกกิเลสหุ้มห่อเอาไว้เลยเข้าถึงสภาวะนั้นไม่ได้เหมือนปลาไม่รู้จักน้ำนกไม่รู้จักฟ้าหนูจะทำอย่างไรดีคะให้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีพลังขอคำแนะนำเจ้าคะ กาต้องพยายามปฏิบัติทำไปเรื่อยๆตามกําลังของเราเราทำทานได้เท่าไหร่ก็ทำไปรักษาศีลได้เท่าไหร่ก็ทำไปภาวนาได้เท่าไหร่ก็ทำไปอันนี้เป็นเหมือนการการเติมน้ำมันให้กับจิตนี่เองจิตก็เหมือนรถยนต์ถ้ารถยนต์มีการเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องรถยนต์ก็จะมีพลังที่จะขับเคลื่อนไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีทำเป็นน้ำมันจิตของเราก็จะมีพลังที่จะสามารถทำอะไรต่างๆได้สาทุค่ะคาถามต่อมาจากคุณอาจพงะคะจิตที่รวมลงเป็นสมาธินั้นจะต้องเป็นขั้นอุปจาระหรืออัปปนาหรือไม่ครับคือจิตที่รวมลงเป็นสมาธินี้ท่านเรียกว่าอัปปนา อุปจาระนี้ท่านบอกว่ามีความคิดปรุงแต่งหรือมีนิมิตต่างๆปรากฏให้รับรู้จิตที่เป็นอัปปนานี้จะว่างจะไม่มีความคิดปรุงแต่งจะไม่มีไม่มีนิมิตต่างๆให้รับรู้จิตที่จะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาต้องเป็นอัปปนาคือจิตที่ว่างสงบเย็นเป็นอุเบกขาสัตวารู้ จิตที่เป็นอุปจาระมีการคิดมีการรับรู้อะไรเรื่องราวต่างๆนี้ยังไม่มีพลังพอคือไม่มีกำลังของอุเบกขาไว้ต่อต้านความอยากเวลาที่เกิดขึ้นแต่เวลาที่จิตมีอุเบกขาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วจะเรียกว่าจิตอยู่ในอุปจาระก็ได้ตอนนั้นจิตก็สามารถพิจารณาได้ แล้วก็สามารถต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เพราะมีพลังดังั้นผู้ที่ภาวนานี้จึงควรที่พุ่งเป้าไปที่อัปปนาก่อนคือให้จิตสงบนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งให้จิตนิ่งนานๆเป็นอุเบกขานานๆแล้วค่อยถอนออกมาแล้วค่อยเจริญปัญญาพิจารณาพิจารณาความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาแล้วถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดตัณหา ถ้ามีอุเบกขามีตายรักก็จะสามารถที่จะหยุดปัญหาได้ถ้าไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะมีตายรักถึงแม้จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแต่ก็ยังไม่มีกําลังที่จะปล่อยมันดังนั้นผู้ภาวนาอย่าไปติดอยู่ที่ขั้นอุปจาระเวลานั่งจิตเริ่มเห็นหนูน่นเห็นนี่แล้วก็หยุดภาวนา เริ่มไปตามรู้สิ่งที่ปากฏให้รับรู้อันนี้จะยังไม่ไม่เกิดอุเบกขาขึ้นมาต้องผ่านขั้นต่างๆไปจนรทั่งถึงขั้นที่จิตว่างจิตสงบก่อนพอจิตว่างจิตสงบแนละ้วเทนี้ก็รักษาความว่างความสงบความอุเบกขาให้อยู่นานๆเพื่อจะได้เป็นพลังของจิตไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆ เวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วใช้ปัญญาพิจารณาก็จะพบคำตอบว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากและความอยากนี้ก็จะละได้ต่อเมื่อเรามีอุเบกขาค่ะทุกค่ะคำถามต่อไปค่ะจากคุณทันรวีสุภาวัฒนินิติพล์ค่ะนิติพนค่ะเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงเหมือนโต๊ะขยับ หรือของเลื่อนประจำเลยค่ะส่วนตัวเองก็พยายามพิ่จรละความกลัวพยายามดูภาพศพภาพการเผาศพจริงๆเพื่อให้ลดภาพความกลัวเพราะสุดท้ายทุกชีวิตจะต้องเจอไม่ช้า ก, ก็เร็วค่ะพระอาจารย์มีข้อแนะนำอย่างอื่นไหมคะก็พยายามดูสลับไปกับการนั่งสมาธิ พราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราดูเราก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาได้เพราะใจไม่เป็นอุเบกขาใจไม่เป็นอุเบกขาก็แสดงว่าเอากิเลสตัณหาทํางานอยู่มีรักมีชังมีกลัวมีหลงอยู่เวลาที่เจ็บเป็นอุเบกขานี่ความรักชังกลัวหลงนี้มันจะอ่อนกําลังลงมันก็จะทําให้เราสามารถดูภาพที่น่ากลัวได้สาธุค่ะ คำถามต่อมาจากท่านเดิมนะคะคุณทันทรีการเกิดเป็นมนุษย์ครบ32ต้องมีบุญมากแต่จะทำอย่างไรให้สามารถปฏิบัติตนในทางคารวะและทางธรรมให้เพราะว่าเหมือนกับเส้นขนานกันค่ะเพราะมนุษย์มีทั้งทุกข์และสุขค่ะก็เราต้องเลือกในที่สุดว่าเราจะไปทางไหนเพราะทางที่มันขนานนี้มันจะวิ่งไปได้แค่ ระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มแยกทางกันถ้าเราต้องการที่จะไปทางหนึ่งเราก็ต้องทิ้งอีกทางหนึ่งถ้าเราอยากจะได้ความสุขในระดับที่เราสามารถอยู่แบบคารวะได้และปฏิบัติทําได้เราก็จะได้ความสุขในระดับนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่าระดับนั้น เราก็ต้องลดความสุขในทางหนึ่งแล้วก็เพิ่มความสุขอีกทางหนึ่งเช่นถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการนั่งสมาธิจากการปฏิบัติธรรมมากขึ้นเราก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเราก็ต้องลดเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราอาจจะต้องตัดละครสักสองสามเรื่องหรือจัดตัดงานเลี้ยงสอ ง, ส, องสามแห่ง จัดการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแทนที่จะไปเที่ยวเช่นวันหยุดสาวันนี้เราก็ไปอยู่วัดกันไปภาวนากันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องอจัดการถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบไหนถ้าเรายังอยากจะได้ความสุขแบบเดิมอยู่เราก็ทำแบบเดิมไปถ้าเราอยากจะได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติธรรม เวลามันมีเท่าเดิมงั้นเราก็ต้องแบ่งเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาใช้กับการหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมสาทุกค่ะคําถามที่สามจากท่านเดิมค่ะความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณทั้งหลายนับเป็นสิ่งที่ต้องทําเสมอตราบเท่าที่มีลมหายใจ แต่ในบางครั้งมีคำถามเสมอในใจการเวลาเดินไปอย่างรวดเร็วไม่มีการหยุดหรือถอยหลังกลับแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งไว้อย่างบรรลุเป้าหมายเคยได้ยินคำว่าเวลาทำดีจะมีมารมาคอยฉุดความคิดเพื่อให้ลังเลขี้เกียจเหนื่อยล้า เป็นเช่นั้นจริงไหมคะพระอาจารย์กับรบกวนพระอาจารย์ด้วยค่ะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมันมีอยู่ในใจของเรานั่นเองมันก็เลยเป็นตัวที่คอยจะขัดขวางการทําความดีของเราแต่เราก็ต้องดูตัวอย่างของคนที่เขาสามารถทําความดีได้เช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระอรหันตสาวกทั้งหลายทําไมท่านทําได้ท่านก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของท่านมาเมื่อก่อนนี้เหมือนกับเรา ท่านก็เคยเป็นผูุ้ชนเหมือนกับเรามาก่อนแต่ท่านมีความวิริยะอุตสาหะท่านมีจิตใจที่แน่วแน่ต่อการทำความดีคือมีจิตใจที่ที่ตั้งมั่นว่าจะทำความดีและมีสัจจะคือความจริงใจต่อความตั้งตั้งใจตั้งใจอะไรแล้วก็จะต้องทำให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยกเว้นในกรณีที่สุดวิสัย เช่นสมมติว่าวันนี้ตั้งใจจะมาวัดก็จะก็จะต้องมาให้ได้ยกเว้นเดินไปแล้วเป็นลมล้มพับต้องหามเข้าโรงพยาบาลมาไม่ได้แต่ถ้าเป็นเหตุอย่างอื่นที่ยังสามารถมาได้ก็จะมาให้ได้นี่เรียกว่ามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีสัจจะแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะมาและมีขันติความอดทน อาจจะเจ็บตรงนั้นบ้างปวดตรงนี้บ้างแต่ยังพอมาได้ก็มาให้ได้จะทำอะไรสำเร็จก็ต้องมีคุณธรรมสีประการนี้มีอธิษฐานความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรและมีขันติความอดทนต่อสู้กับมารภายในและมารภายนอกมารภายในก็ความรู้สึกต่างมารภายนอกก็คืออุปสรรคต่าง ถ้าไม่มีขันติก็จะไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ถ้ามีก็สามารถทำได้นี่แหละคือบารมีสีข้อที่พระเจ้าสงสอนให้พวกเราเจริญกันถ้าเราอยากจะมาทางนี้ถ้าเราอยากจ ะ, จะเจริญทานบารมีศีลบารมีเนื้อข ม, มบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมี เราจำเป็นจะต้องมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะและมีขันติถ้ามีแล้วรับรองได้ว่าเราตั้งใจจะทำอะไรนี้เราทำได้หมดค่ะสาธุค่ ะ, ะคำถามจากท่านสุดท้ายนะค ะ, ะหนูพยายามสรุปเธอก็คือลูกศิษย์หลวงตาบัวนั่งฟังหนังสืออ่านหนังสือธรรมะฟังธรรม โดยเฉพาะเทศนาของหลวงตามาตลอดนะคะจนกระทั่งเธอบอกว่าครั้งหนึ่งนั่งภาวนาไปเรื่อยๆกำหนดพุดโทโธไปจนเกิดเวทนาความเจ็บปวดแล้วก็ปวดขามากแทบทนไม่ไหวแต่ก็ทนจนกระทั่งได้ยินเสียงแวววมาในใจคิดว่า น่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการฟังเทศหลวงตาเสียงนั้นเป็นเสียงหลวงตาที่เคยฟังประจําว่าความตายตัดออกหลังจากนั้นนั่งไปอีกสักพักความเจ็บที่ขาก็หายไปลมหายใจเบาลงเรื่อยๆจนนึกว่าตัวเองไม่ได้หายใจค่ะแต่ไม่ได้ตกใจอะไรคงภาวนาพุทโธไป จนรู้สึกว่าทุกอย่างมันนิ่งสงบมากค่ะในจิตตอนนั้นรู้แค่ว่ามันเป็นความสงบเบาไปหมดแล้วความสงบนั้นก็ค่อยๆถอนคืนมาค่ะเริ่มรับรู้หายใจของตัวเองใหม่คำภาวนากลับมาคำถามคืออยากถามพระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งอาการที่สงบเบาแบบนั้นเรียกว่า อาการที่จิตรวมลงหรือเปล่าคะใช่ข้อสองค่ะหลวงตาเทศว่าเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วควรออกทางด้านปัญญาการออกทางด้านปัญญาเริ่มยังไงคะต้องรอให้จิตออกมาจากความสงบก่อนขณะที่จิตสงบอย่าเพิ่องออกตอนนั้นเป็นเวลาที่เราต้องการพักจิต เวลาที่เรากำลังเติมพลังของโอเบกขาอยู่อย่าเพิ่งไปทำอะไรเราให้จิตถอนออกมาคิดคิดปรุงแต่งก่อนแล้วค่อยพิจารณาถ้าจิตยังไม่คิดปรุงแต่งยังไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คำถามสุดท้ายพระอาจารย์ได้ตอบแล้วค่ะคาถามสุดท้ายคือควรออกจากออกทางด้านปัญญาช่วงไหนค่ ะ, ะต้องเวลา จิตสงบนิ่งไม่คิดปรุงแต่งไม่ใช่เวลาที่จะออกทางปัญญาจะออกทางปัญญาต่อเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนิ่งแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งแทนที่จะปล่อยให้คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเราให้คิดตรงกันข้ามกันให้คิดว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสิ่งต่างๆไม่ใช่ให้ความสุขกับเราให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขให้คิดอย่างนี้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปคิดถึง คิดถึงแฟนก็บอกเขาให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขคิดถึงขนมก็เหมือนกันคิดถึงเครื่องดืม่มกาแ ฟ, ก, าฟก็ให้คิดเหมือนกันะเขาให้ความสุขกับเราแต่เราต้องไปทุกข์กับเขาเพราะต้องคอยหาเขาอยู่เรื่อยๆต้องไปคอยกินอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้กินก็ทุกข์ถ้าไม่ถ้าไม่อยากกินไม่ไปกินเลยต่อไปก็สบายไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปหาขนมอะไรมากิน ให้มองเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการทำตามความอยากหมนแล้วใช่ไหมพูมดแล้วค่ะพระอาจารย์แถวนี้มีใครกระถามไหมวันนี้เดี๋ยวปิดไม้แล้วห้ามถามนะแถวนี้พูดจริงๆนะเพราเหนื่อยพูดทักที่อยากจะได้ให้มีประโยชน์เนี่ยพูดกับคนสองคนมันได้นิดเดียวพูดนี้คนอื่นจะได้รับประโยชน์ด้วย <c oughs> คีดว่าพวกเราเป็นเหมือนการเป็นนักโทษเหมือนกัน มีความทุกข์เหมือนกันถ้าเรามีปัญหาคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนเราพอเราพูดแล้วเขาก็จะได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ